พระเจ้านะครับที่เราได้นมาสการพระเจ้าร่วมกันแล้วก็โอกาสได้แบ่งปันพระโชนะของกับพระเจ้ากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างกับเหมือนที่ผู้นำนะครับ ผ, ผู้ของโอ๊กได้กล่าวตั้งแต่ช่วงต้นนะครับบทเพลงในการนวัสการวันนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ไม่มีเนื้อหาในเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ พระเจ้าทรงนำผมก็จะดึงให้เข้ากับคำเทศนาให้ได้นะครับนะฮะข้อเทศนาวันนี้บอกว่าสแสวงหาพระเจ้าในวันคริสนตะ์มาสจากพระธรรมจริงๆแล้วก็เราจะใช้ในพระธรรมลูรกาบทที่สองนะครับข้อ8 10, ถึง1 0ถึงยี่สิบนะครับแต่ผมจะอ่านเฉพาะเพียงข้อ15ถึง20ิบนะครับ เขาจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับในเมื่อทูตเมื่อทสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปแล้วพบมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรังหญ้าคลันเข้าไป เขาได้เห็นแล้วเขาจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมาร น, นั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขาฟายมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและลำพึงอยู่คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเขาได้ยินและ ได้เห็นได้กล่าวไว้แก่เขาแล้วในเยเรมีนะครับบทที่29ข้อสข้อ1ิข้อ 13, ได้กล่าวอี ก, กว่าถ้าเจ้าสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสเราสแสวงหาอะไรครับบทเพลงแห่งความรัก ก่อนที่จะเป็นเพลงนมัสอยู่แห่งไม่ว่าอยู่แห่งใดนะครับวันนี้นะครับตอน10โมงผมคลิกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตพี่น้องลองเดา ว, ว่าผมคลิกเข้าไปที่เว็บอะไรครับไทยติ๊ i เก็ตมาสเตนี่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจองตั๋วบุรุบอล น, นัดชิงชนะเลิศ AFC ซ u สุสุกิ ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับคิวผมสามารถเข้าได้ตอนส0โมงเกือบครึ่งและคิวที่ผมได้นะครับหนึ่งมื่นเจดพซึ่งสนามราชมังคลานี่จุได้ประมาณ 60,000 นที่นั่งนะครับคิวที่ผมได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดแล้วคนที่ไปจองที่หน้าบูธอีกนะครับและแล้วจนเที่ยงผมก็ รีเฟรชอีกครั้งหนึ่งยังมีอีกประมาณ 6,000 ครั้งอีก 6,000 คิวนะครับเมื่อถึงคิวผมจริงๆแล้วปรากฏว่าทุกที่นั่งเต็มหมดประมาณบ่ายสองทุกที่นั่งเต็มหมดปรากฏว่าผมสแสวงหาที่จะเอาตั๋วดูบอลไม่ได้ครับเอาล่ะครับแล้วคนทั้งหลายทุกท ก, ทกวันนี้เราเขาสแสวงหาอะไรกันครับ เราแวสวงหาที่ในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้ครับคริสต์มาสนะครับแม้ว่าปีนี้เราจะไปในที่ต่างๆนะครับห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่ให้เราล่อหูล่อตามากเท่าไหร่นะครับเพราะปกติ เราจะพบว่าห้างสรรพสินค้าจะประดับประดาไฟคริสต์มาสไฟสำหรับเทศกาลที่ของการให้ของขวัญการที่จะแจกสิ่งของต่างๆให้แก่กันและกันปีนี้ไม่ค่อยมีเนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงของการถวายความอะไรในการเสด็จสวรรคโคตของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้าครับพระชนะของพระเจ้าเราพบว่า คนเลี้ยงแกะเหล่านี้เขารู้และเขารอคอยและเขาก็แสวงหาพราะวจานะของพระเจ้าบอกกับเราว่าจงส่วยหายแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและในมัทธิวบทที่เจดข้อเจจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงข้แล้วจะเปิดให้แก่เขาและในข้อที่8ดครับเนี่ยปกติเราจะท่องข้อเจได้ข้อแดท่องได้ไหมครับวันก่อนผมก็ชวนท่อง ย้อนบทที่สาข้อ16แลวก็ข้อ17นะครับข้อ1ิข้อที่8บอกว่าทุกคนที่สแสวงหาก็พบแล้วสแสวงหาใครครับสแสวงหาพระเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสนี้เราแวสแวงหาที่จะพบกับความจริงเราแวสแวงหาความรักที่แท้จริงในเทศกาลคริสต์มาสความรักเรารู้อยู่ว่าความรักของพระคริต์เจ้านั้นเป็นความรักที่ เสียสละการสิ้นพระชนของพระองค์พระองค์สละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มีนั้นเพื่อเราทั้งหลายเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเพื่อจะช่วยเขาให้พ้นจากบาปพ้นจากเวรกรรมทั้งหลายเนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์นั้นเราไม่สามารถที่จะช่วยตนเองได้นักปราชญ์คนเลี้ยงแกะแสวงหาที่จะพบตามเป้าหมายในการรอคอยของพวกเขา ด้วยความเชื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความเชื่อด้วยใจก็นํามาสู่ความชอบธรรมและการยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยปากนั้นก็นําเรามาสู่ความรอดแต่หลายๆคนแสวงหาพระเจ้าแสวงหาพระเยซคริสต์เพื่ออะไรครับมีดรคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนพระคิสลธรรมเขาแสวงหาพระเจ้าเขาศึกษาพระคมภีร์ และเขาก็ใช้ปรัชญาและเหตุผลของตัวเขาเองและในที่สุดเขาก็เลิกลาพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เขาแสวงหานั้นเขาไม่ได้แสวงหาด้วยใจเขาแสวงหาด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาของเขาเองมีศิล ย, ยพ์พิบาลคนหนึ่งนะครับ เขาในสมัยเรียนหนังสือตอนที่ช่วงเรียนหนังสือนั้นเขามีเพื่อนอยู่สองคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าคนหนึ่งเป็นชาวเกาหลีอีกคนหนึ่งเป็นคนยุโรปสองคนนี้เมื่อมาพบเพื่อนของเขามักจะเยอะเยอะอยู่เสมอเพราะว่าเพื่อนของเขาคนนี้อาจารย์คนนี้เชื่อพระกัมภีร์เพราะเขาถือว่าพระกัมพีนี้เป็นเรื่องโบราณเป็นเรื่องที่ล้าสมัย เป็นเรื่องประลามปรลาไม่มีเหตุผลแต่สองคนนี้ภายหลังมารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าและมาพบอ า, อาจารย์คนนี้เสียอภิบาลท่านนี้เขาร้องไห้เขาเสียใจและเขาขอโทษอาจารย์เสียอภิบาลคนนี้ เพราะว่าตอนที่เขาเรียนเรียนหนังสืออยู่นั้นเขาเป็นคนที่ปฏิเสธและเขาต่อต้านเยอะเยยะอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเขามาพบพระเยซูผู้ที่รักเขาจริงๆแล้วนั้นเขาเปลี่ยนชีวิตในสายพลังเด็ดของพระเจ้านั้นเราพบว่าคนที่มีมาแสวงหาพระเจ้านั้นมีหลายรูปแบบแต่บ่ายวันนี้อยากจะบอกในสอง คนสองประเภทที่แสวงหาพระเจ้าคนประเภทแรกคนกลุ่มแรกนะครับแสวงหาพระเจ้าไม่ได้แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจไม่ได้แสวงหาพระเจ้าด้วยใจอาจจะแสวงหาพระเจ้าด้วยผลประโยชน์อาแสวงหาพระเจ้าด้วยความรู้ในสถาบันโรงเรียนหรือว่าสถาบันของคริสเตียนมีมากมายนะครับในประเทศไทย แต่เงื่อนไขของการที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารของสถาบันเหล่านี้นะครับกม็มีอยู่ว่าเขาจะต้องเป็นคริสเตียนเป็นสมาชิกในสังกัดของแต่ละสังกัดเคยมีคนบอกว่าบางแห่งมีคนมาขอรับบัพติศมามาขอเป็นคริสเตียนเพื่ออะไรครับเพื่อจะขึ้นตำแหน่งที่สูงเป็นผู้บริหาร แต่ผมไม่ทราบว่าตอนหลังเขาได้เป็นหรือเปล่านะฮะคริสต์มาสครั้งแรกนั้นมารีโยเซฟเดินทางไปที่เบดเลเฮมจริงๆแล้วต้องการไปเยรูซาเล็มเพื่อจะไปขึ้นทะเบียนไปจดทะเบียนแต่ขณะนั้นเองเขามารี Marie, เองตั้งคันแล้วพร้อมที่จะคลอดแล้ว เมื่อเขาเข้าไปในที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเบลเยเฮมนี้อะไรเกิดขึ้นครับผู้คนที่พลุกพ่านผู้คนที่มีมากมายนั้นจองโรงแรมและใช้เข้าโรงแรมเต็มหมดเมื่อมาถึงเจ้าของโรงแรมบอกก็บอกว่าไม่มีที่ว่างในห้องไม่มีห้องว่างสำหรับของเขาแล้วนะครับเราถ้าเราจินตนาการนะครับคนที่มา ขอมาติดต่อห้องพักครับผมจินตนาการเนื่องจากอยู่สำนัก ง, งานคือจากจินตนาการกับภาพของคนที่มาขอใช้สถานที่โบสถ์แต่งงานนะครับต้องม า, อ, าออดอ้อนสุดริษสุดเดช ท, ทุกเหตุผลเพื่อจะได้โบสถ์นะครับในการแต่งงานนะครับผมไม่รู้ว่ามารีกับโยเซฟขอร้อง เจ้าของโรงแรมมากแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาได้รับนั้นก็คือว่าข อ, อกวัวข อ, อกสัตว์ซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีใครที่จะเข้าไปนอนแต่เนื่องด้วยว่าถึงคราวจำเป็นแล้วนะครับมารีกับโยเซฟก็ต้องไปในที่นั้นและคลอดบุตรชายมีละครคริสต์มาสของคริสตจักรแห่งหนึ่ง ขณะที่เด็กชายแสดงเป็นเจ้าของโรงแรมครับมารีครับก็แต่งเดินเข้ามาเพื่อจะข อ, อห้องพักกับเด็กคนนี้นะครับซึ่งแสดงบทบาทเป็นเจ้าของโรงแรมขณะมารีที่อุ้มท้องมา เพื่อนของเขาแสดงเป็นบทบาทสมมติเป็นมารีมาด้วยน้ำตาครอเบ้าออดอ้อนที่จะมีที่จะได้ห้องพักเพื่อจะคลอดลูกเพื่อจะพักผ่อนในคืนนั้นเด็กชายเจ้าของโรงแรมก็เมื่อเห็นน้ำตาแล้วลืมบทครับไม่รู้จะบอกว่าไงดีก็มีเสียงมาจากหลังเวทีบอกว่า ให้ไม่มีที่ว่างให้ไปาตามทางของคุณนะครับแล้วเด็กน้อยก็บอกว่าที่นี่ไม่มีที่ว่างเสียงก็หยุดลงแล้วก็พูดตะกุกตะกักว่าจงไปตามทางของคุณแล้วมาลีกับโยเซฟก็เดินออกกำลังจะออกจากเวทีทั้งสองคนก็ร้องไห้นะครับแม้ว่าอยู่บทเป็นเป็นบทบาทสมบุริ์ที่แสดงแล้ว เด็กน้อยเจ้าของโรงแรมได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าไปเธอสามารถใช้ห้องของผมได้เปลี่ยนละครคริสต์มาสเลยครับทุกคนปรบมือนะครับเรื่องราวคาริสต์มาสของที่จัดแห่งนี้เปลี่ยนประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ออผู้คนไม่ปรารถนานะครับที่จะต้องถูกปฏิเสธ ในเทศกาลคริสต์มาสมีหลายๆที่นะครับที่ละเลยแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ทิ้งเทศกาลคริสต์มาสไปบางแห่งยกเลิกวันคริสต์มาสในรัฐเท็กซัสมีครั้งหนึ่งในช่วงของอกองทัพอเมริกาบุกอัฟกานิสถานนะครับในรัฐเท็กซัส ไม่อนุญาตให้เด็กๆส่งการ์ดคริสต์มาสไปให้ทหารที่ประจำการที่อัฟก า, านิสถานก็เขาถือว่าคริสต์มาสนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นงม ง, งายในศาสนาพี่น้องที่รักครับยังมีคนที่แสวงหาพระเยซูไม่ได้แสวงหาด้วยใจ ไม่ปรารถนาที่จะพบด้วยความจริงใจอีกคนหนึ่งคือโยเซฟขอให้ครับเฮโรธเฮโรธเป็นคนที่รักตัวกลัวตายโหดเหี้ยมเมื่อนักปราชญ์มาหามาพบเขาก็ต่างปรึกษากับพวกธรรมาจารว่ากษัตริย์ที่จะที่เกิดมานั้นอยู่ที่ไหนเฮโรธนั้นเราถือว่าเป็นซุนักกิง้ง ซิงจอกหรือว่าคนเจ้าเล่นะครับแล้วเขาก็พบว่าพระเยซูหรือว่ากษัตริย์ที่จะเกิดมานั้นเกิดในบ้านเบรลเฮมบ้านเล็กๆนะฮะแล้วเขาก็บอกให้กับพวกนักปราชญ์เหล่านั้นว่าให้ไปเถิดให้ไปหาเมื่อพบแล้วจงกลับมาบอกเราเพื่อเราจะไปนมัสการพระกุมาร น, นั้นด้วยครับโย เฮโรดไม่ได้อยู่แห่งหนใดจะน้ำมัสการด้วยความจริงใจลึกๆของเฮโรดก็คือว่าเขาปรารถนาที่จะจัดการกับกษัตริย์ที่จะเกิดมาใหม่เพื่อเขาจะไม่ได้สูญเสียบัลลังก์อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกธรรมจารย์พวกนี้รู้พระคำพีดีรู้ว่าจะมีคนมาเกิด คนเหล่านี้ถ้าเทียบกับปัจจุบันก็เป็นนักวิชาการทั้งหลายที่พยายามวิจัยหลายๆมากมาย น, นักวิชาการด้านพระคมพีเขาก็จะเรียกว่านักศาสนศาสตร์คนเหล่านี้มีความรู้มากมายธรรมอาจารย์รู้ว่าบ้านเบลเลหเฮมในพระธรรมมีคาได้บอกว่าบ้านเบลเลหเฮมเอฟฟาทาจะเป็นหน่วยเล็กๆ ก, ก็หาไม่ได้นะครับและจะมีคน เกิดมาณนะสถานที่แห่งนี้เขารู้ว่าจะมีกษัตริย์มาเกิดจริงๆแล้วเาถ้าเขาออกไปแสวงหาเขาจะค้นพบพระเยซูภายในส0สิบนาทีแต่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปเขาพลาดทุกคนพลาดเจ้าของโรงแรมพลาดเฮโรดพลาด ธรรมอาจารย์พลาดที่จะพบกับพระเยซูเราทุกคนหรือว่าคนทั่วไปปัจจุบันอาจจะพลาดที่จะพบกับพระเยซูเพราะว่าเขาแสวงหาบางสิ่งบางอย่างไม่ได้แสวงหาพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้แส ว, สวงหาความรักที่พระเจ้าประทานให้แสวงหาทรัพย์สินเงินทองแสวงหากิยศ แสวงหาความร่ำรวยแต่ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราจะพบกับพระองค์คนประเภทที่สองครับคือคนที่แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจในที่นี้นะครับเรามีพี่น้องที่ชื่อสุดใจนะครับทาอะไรเขาก็ทำด้วยสุดใจ สมกับชื่อแต่เราล่ะครับเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจไหมครับสุดจิตสุดใจคนเลี้ยงแก่เหล่านี้เมื่อเขาได้ยินนะครับจากทศวรรค์ที่มาบอกว่าถ้าเขาไปนั้นเขาจะพบพระกุมารพบกับกุมาร น, น้อยนอนอยู่ในร่างหญ้ามีพระอ้อมพันนะครับเขาไปและรีบไปกุลีกรูจอไปแต่เขาไม่ห่วงนะครับ ว่าแกะจะโดนขโมยไหมเขาไม่ห่วงว่ามีจะ ม, มีสุนัขจิ้งจอกมาขโมยลูกแกะไปไหมแกะจะมีคนเฝ้าไหมพระคัมภีร์บอกว่าเขารีบไปและเขาก็พบพระกุมารจริงๆบทเพลงเด็กๆที่เราร้องหลายคนร้องได้ฉันไม่รู้ฉันจะให้อะไรพระเยซู ถ้าฉันเป็นคนเล่งแกะฉันจะมอบลูกแกะให้แก่ท่านเรามอบอะไรให้กับพระเยซูคริสต์เจ้าครับเราได้รีบเร่งที่จะมาพบกับพระองค์หรือเปล่าเรารีบเร่งที่จะมาพบกับที่จะได้พบกับความรักที่เสียสละขององค์พระคริสต์เจ้าไหมผมได้เห็นพี่น้องท่านหนึ่งที่เคยมารัมสการพระเจ้ากับเราในช่วงตน้ตนๆช่วงแรกนะครับ เขาไปเป็นพยานในอีกที่หนึ่งนะครับขึ้นใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับหลายๆคนแชร์เขาปรารถนาเขาบอกว่าเขาปรารถนาที่จะพบะเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้พบกับความรักแท้ในหมู่พี่น้องและเขาเองก็ได้พบกับความรักนั้นโดยที่ ในหมู่พี่น้องคริสเตียนในหมู่พี่น้องผู้เชื่อนั้นได้มองข้ามความอ่อนแอความบกคร่องและในสิ่งที่เขาไปสิ่งที่เขาเป็นและเขาเขาได้รับการสนับสนุนได้รับกําลังใจได้รับคําหนุนใจพี่น้องครับบทเพลงที่เราได้ร้องด้วยกันเมื่อสักครู่นั้นความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เสียสละ เราไม่ได้ถวายคำว่ารักกับพระเจ้าแต่ปรารถนาที่จะให้เราถวายการกระทาที่สแสดงด้วยความรักให้กับพระเจ้าคือการที่เราจะรักซึ่งกันและกันและการที่เราจะดูแลห่วงใยการที่เราจะยิ้มพูดคุยฟังซึ่งกันและกันโลกปัจจุบันนั้นเราแต่ละคนเรามีความเครียดมากมายเรามีแต่ละคนก็มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีใครฟัง เราจะพูดให้ใครคนเหล่านั้นหรือว่าคนที่มีปัญหาคนที่มีภาระทีห่หนักใจนั้นเขาจะคุยให้ใครฟังนะครับแย่งกันคุยอีกกลุ่มหนึ่งครับที่แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจทุมเทและละทิ้งคือนักปราดหรือว่าพวกโครรจาน นะครับพวกเขาออกจากบ้านออกจากที่อยู่อาศัยลาครอบครัวแม้ว่า พ, พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกนะครับว่าเข า, เาลาครอบครัวลาลูกลาภรรยาแต่เราก็เชื่อว่าถ้าการเดินทางเช่นนั้นเขาก็คงทิ้งละครอบครัวละที่อยู่อาศัยของเขาเพื่อจะแสวงหากับกษัตริย์องค์ใหม่เพื่อจะถวาย นมัสการกษัตริย์องค์นั้นเข้ามาจากบาบิโลนมาจากตะวันตกเพื่อไปเข้ามาจากตะวันออกนะครับเพื่อจะไปยังที่ตะวันตกนั่นก็คือปาเลสไตน์บาบิโลนก็คืออิลักนะครับเดินทางตามแม่น้ำสายเมโสโปเตเมียมาขึ้นมาเดินไปเรื่อยไปถึง บ้านเบตเลเฮมและเข้าไปเจออะไรครับเจอเฮโรธแต่สิ่งที่พระเจ้าเตือนให้กับพวกเขาก็คือว่าอย่า ก, กลับไปบอกเฮโรธอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระกุมารนี้จะถูกคมเหงนะครับแล้วเขาต้องผ่านทะเลทรายผ่านแม่น้ำนะครับเขามุกมาณนะ จนได้พบกับพระกุมารผู้ที่เขาปรารถนาจริงๆผู้ที่เขาต้องการที่จะพบจริงๆแล้วเขาถวายสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขาทองคําเป็นเครื่องตัวแทนของสิ่งที่มีค่ากมยานเป็นเครื่องใช้ในการนามัสการและหมดยอบเป็นเครื่องใช้สาหรับในการโลมงศพทั้งสามสิ่งนี้ได้ใช้กับ พระกุมารเยซูและพระคริสต์วิตเจ้าจริงๆทองคําเมื่อเฮโรธประกาศตามล่าเด็กตามกว่าสองขวบลงมามารีโยเซฟคงจะได้ใช้ทองคํานี้แปลเป็นเงินเพื่อจะเลี้ยงชีพในขณะที่หนีอยู่สองปีที่อียิปต์กำยานใช้นํำการมาสการ พระฉะน้นขอพระเจ้าบอกทุกหัวขาจะกราบลงได้ทุก l i n k i n จะสรนเริญว่าพระเยซูกิตทรงเป็นพระเจ้าและหมดยอบได้ใช้ในวันที่พระองค์พระเยซูกิตเจ้าสิ้นพระชนใช้ฉลองพระศพพี่น้องที่รักครับเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเราเราจะพบพระองค์แน่นอนเราแวสวงหาด้วยการ อ่านพระโอษณะของพระเจ้าแสวงหาด้วยการสามัคคีธรรมกับหมู่พี่น้องแสวงหาพระองค์ด้วยการอธิษฐานเราคอยพระองค์เข้าในนวการมัสการในชุมชนและเราก็จะพบความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงมาบังเกิดในโลกนี้พระองค์ได้ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างยอมทนทุกทรมาน พระองค์ไม่มีที่พักไม่มีที่หลับที่นอนพระพระคิส์เจ้าเองตรัสว่าสุนัขยิ้งเจาะ ก, ก็ยังมีโพรงนกก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์นั้นไม่มีที่จะวางศีรษะซึ่งแท้ที่จริงแล้วพระองค์มีสวรรค์ที่พรงมีทูตสวรรค์นั้นปร น, นิบัติพระองค์แต่พระองค์มามาละโกงบทที่สิบข้อสี่สิบห้าได้กล่าวว่า เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่พระองค์มาเพื่อปรนิบัติเขาและประทานชีวิตให้แก่คนเป็นอันมากเพื่อเป็นค่าไทยของคนเป็นอันมากพระองค์นี่คือความรักขององค์พระคริสต์เจ้าเมื่อเรารับพระองค์รับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของเราพระองค์จะเข้ามาและพระรุ่ยบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อจะให้เรานั้นมีความรัก อย่างเช่นพระองค์พระองค์จะสอนเราในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าสอนช่วยเราพระวิญญาณบริมมสุทธิ์จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตพระองค์ช่วยเราในการที่แก้ไขปัญหาผู้คนมากมายทำไมเขาต้องแสวงหาพระคริสต์เจ้าในนิตยสารวอยซ็มาร์ o ทอ e ์นะครับได้บันทึกเรื่องราวคนหนุ่มสาว ในอินเดียในซูดานในเอธิโอเปียในปา ก, กีสถานในอิรานในคิวบาจีนพมา่าคนเหล่านี้แสวงหาที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เมื่อเขามาเป็นคริสเตียนเมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาไม่ได้รับการเสียงปรบมือเหมือนกับในโบสถเ์เราที่มีผู้รับบัพติศมาแล้วก็เราแสดงความยินดีปรบมือ แต่คนเหล่านี้เมื่อพบพระเยซูเชื่อในพระเยซูถูกทรมานครับถูกคมเหงถูกติดคุกถูกวางยาพิษถูกสา์ด้วยน้ำกรดที่ใบหน้าถูกน้ำร้อนลาดถูกเผาทั้งเป็นเมื่อไม่กี่วันนี้ผมเปิดในย t ท b e ที่ประเทศแห่งหนึ่งในทางแอฟริกาใต้ยังมีคริสเตียนที่ถูกเผาทั้งเป็นเป็นภาพที่สยดสยองมากถูกทุบตีด้วยไม้จับโยนเข้ากองฟืนทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จุดไฟเผาลุกขึ้นมาถูกทุบอีกแต่คนเหล่านี้ทำไมเขายังสแสวงหาพระเจ้าครับ เพราะเขารู้ว่าในพระสิริเจ้านั้นโปรงให้ชีวิตนิรันต์แม้ว่าในโลกนี้เราจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหามากมายเราจะเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายแต่อุปสรรคที่มากมายอุปสรรคที่เป็นตัวขวางกั้นอย่างหนึ่งทำให้เรานั้นไม่สวยหาพระเจ้าคืออะไรครับไม่ใช่ความทุกข์ยากครับมันเป็นความสบายมันเป็นความสะดวกที่ทาให ผู้คนนั้นไม่แสวงหาพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าสบายแล้วไม่จำเป็นจะต้องแสวงหาอะไรอีกแล้วแต่พี่น้องครับผู้คนอีกหลายพันล้านคนที่แสวงหาพระเจ้าที่จะพบกับพระองค์และในเทศกาลคริสต์มานนี้บทเพลงที่เชิญชวนเราจะให้แสวงหาพระเจ้าเชิญชวนเราให้เข้าเฝ้าพระองค์โอคำออยิเฟสฟูล ซึ่งแต่งเป็นภาษาลาตินโดยจอนวอดได้บอกว่าขอเชิญท่านผู้วางใจมีใจยินดีมีชัยเชิญมาเชิญมาไวสู่หมู่บ้านเบตเลเฮมมาเฝ้าพระกุมารราชาแห่งทูตปรีเปรมเชิญสาธุการพระเยซูเชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซูผู้ส่งพระคุณในเทศกาลคริสต์มาสและวันที่เราจะฉลองกันในวันที่15และที่เราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันที่24เราสามารถที่จะเชิญผู้คนมากมายที่จะมาพบกับความรักของพระสควิ์เจ้าเพื่อเขาจะได้สวงหาอาหารแท้แห่งชีวิต ที่เขาจะมีความครบบริบูรณ์ที่เขาจะพบกับชีวิตนิรันดร์พี่น้องสามารถที่จะดาวน์โหลดการ์ดคริสต์มาสนะครับได้ที่เว็บไซต์โบสนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของสมาชิกของคริสตจักรแล้วพี่น้องสามารถ forward การ์ดคริสต์มาสนี้ไปในไลน์ไปในโซเชียลมีเดียของพี่น้องในกลุ่มต่างๆสามารถที่จะส่งต่อ เพื่อผู้คนทั้งหลายจะได้พบกับความรักของพระเจ้าที่เขาจะแสวงหาและพบกับพระองค์และเชิญชวนเราที่จะแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ